เราตะกุ่มเกาเรื่องพ้อกเพราะว่าเมื่อเห็นอื่นเรืเร่องอื่นที่เี่ยวถึงปุถิตาถูกฟังเราจะเรื่องของคนเท่านั้นดังพิเรเวรมือว่านนง เนีมนม่มีทุนมีร่อนมีทายามีทำเป็นทายามีทำเป็นเผ่าพันธุ์แต่เนี่ยต่ำเป็นทายาทมีต่ำเป็นเผ่าพันมีต่ำเป็นเทพพงษาอาศัยต่ำ <c oughs> เลยก็นีสองอย่างต่ำเป็นทายาททำไมจ่ำมันนึงแต่เสื่อห้องี่เสื่อ้ายตะกูลเราก่อพองพันธุ์ ใ, ใจใจท่อสกิดมรดกมาจากบรรพบุรุษนั้นถึงกรรมอันหนึ่งกรรมอันหนึ่งที่ต้สิต้องเป็นที่ถึงพระอาศัยคือกรรมดีที่ต้องทำปฏิเสธกระดันเห็นเขามีสติหรือว่าเขามีกรรมดีเขาขาดสติหรือว่าเขามีกรรมบอดีแด้ อันนี้สตกรรมบันดีอันนี้สตินั่มเข้าไปตูค้อมกอดให้ควอมตูจนถึงมบถึงผลแต่ทั้งนี้จะ ข, ข้อมหลงนั่มเข้าไปตูสนลกเตจุลกายกต่เ้รัจฉานเราข้มหลงมันก็ข้อมหลูเข้าไปค้อมละทางมหนึงมือนึงน่งใ้จะต้องทงกำกรรมนะที่ให้ไดอแต่นี้สติอยู่กับลูกกับหลาน เกี่ยกับการพลาวาัตผู้คล้องเลื่อนมนสติจะไม่ชั่งด่างเรีว่าเขาทํากรรมาการชนาของปัจจุทัเจ้าของหอยเน้นอยู่ที่กรรมด้วยการกระทำเขาไม่เนตตาเรียกว่าเขาไม่ทาดีเขาไม่ความเสียสละเรีว่าเขาทํากรรมดีเขาไม่ความรู้จักปล่อยกับวางโดยจะหยุดจะกยิน เรียกว่าเ้ามีกรรมกันดี่้ำกรรมจังสีมันเบนาเห็ดนะนั่งอยบานตื่อๆถ้ำงานท้ำสานจะมีเพศเมตตาปรุนาโ ม, มติตาอุเตกผาน่วมงเสียสละตวองว่างต้อยต้มงมีสติต้อมให้อภยัยต้องบดพ้นม้องละอายทั้งนะเรอกรรมอะนรต้องสางให้ได้ เราเหตุหจงศีลทำางศีติดต่อกันไปอยาทอดยากถิ่นอยาปล่อ ย, หหออหออยให้มันศูนย์เปล่าชีวิตของเราอยู่ทซื้อจะเห็นจิตมื่อนั่งมือนั่ ง, ง, ง, งบ่พ่ อ, อใส่เว ล, ลาบ่พ่ อ, อใส่บ <c oughs> บบใสบายเราอยากทาทําดีบ่บ่พ่อใส่เลยอยกึกษาอยากถ l u n อยากเล่นลู บางที่เขาบอกน่า hmm. นี yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Mm ่สๆอยากเดินรงกรมบ้างโดยเฉพาะชีว hmm. ิตของนักบวชไ่พอกจเวลามื่อนึ่งไม่นั่งทั้งอยากอ่านหนังสือทั้งอยากศึกษาทั้งอยากเดินรงกรมอยากบริหารลานตานขณะที่เขายกม่งขานจังบ้านมีสติมองเหตุให้มันสัมผัสกับสติดีๆให้มัน มันเป็นการบริหารสุขภาพทางด้านจิตวิญยาณครัถ้าเขาสัมผัสตักระที่ดีๆนั่นจะเรีว่ามันกดที่นมันขึ้นตีดมันตับบานมันขึ้นเหยาวบกัดพินพ์วิตของคนที่มีสติเนี่ยงกนั่นก็ บ, บริหารในระวางตนพ่อตอนแขนก็แต่จะงกแดดเต็งแดด ที่จะฟังก็งกมองือพร้อมมีสตินในตัวนั้นบริหารรถสุดตัวจิตใจก็สดชื่นตุกตาเปลาะการา ต, าตามเนื้อเลาะตนพ่อเลอเอาะเหัวใจเราหัวใจนั่นถ้ามันเกิดทุกตาจริงถ้าเดินเป็นพมแลาะผ่านเด้เดินเปนผม มนเดินเนโอมันดีเลยเถอะเม่ห้องสาวเดินเตยห้องสาวเดินจนกลมใี่วันเดินจนกลม บ, าาบ่าพอทายบตาดูบ้วันะมนมแมนะีแต่เอาในห้องเทาก็นได้นอนอยู่ในห้องตัวเดียวเดินทับไปลับม า, าเดินเถมันดีแลยเถอะการบริหารร่างกายอันต้ตองเริ่องเตยโตเลย เพราะว่าไอนน้ถ่าบบริหารนันแหลเสื่อนมันก็มันเสื่อมมันอ่อนเองการทํางานจะถือว่าเป็นความปวบคนมยากการทํางานเป็นความขาดสุขจะหนึ่นงแต่ว่าให้รู้จากกาละเทศะ ก, การตากเดช ก, ก็คือจะต้างจะกใยวิตามินดี ระว่างผิวหนังกับแสงแดดบวกกันเผาถ้าไม่เกิดสุขภาพไม่ภ่มตาลท่านสมมาเขาชวนจะแปลเรื่องการทางา น, นเป็นเรื่องผูกเรื่องเรื่องรับจิตถอบก็จะเอามาเป็นเรื่องผูกที่ลูกนี่ร้านนี่ัวทูตจีงของรับจิตถอดก็กเป็นเรื่องผูกเป็นเรื่องที่มีคุ่มากมีพุ่ธรรล ชีวิตของเขาจิบรลักจุดชอบยังทั้งเดิเน um, um, ี новый, Beyonce, ่ยโมเมนต์วมีใครยังจอยลูกจอยหลานไปแล้วจอยผู้อื่นไปแล้วจอยพกผูการชนะไปแล้วแ่ถ้าเขีควาตกให้ลูกหลานเห็นเลยว่าเขาจอยตาดชนาเลยเบอดบ่กล่าวลาวบ่โกรบ่ขุนผันพันแรีนทุกคุ้มหลอกถอกในระหว่างเขาป็นผู้ซอย ผ า, าดซอยศาสต ร, ตรกันเการใจการใจบทตุลูกตุก ล, กกลาสอนสนุกสอนไ่ต่อเจ้าตุลูกบานสนุกสอนลูกสอนหลานมีวัดทางเที่มบ่มีเวล่าทางเที่บบมจะรประโยชน์น่อยดือว่าได้แต่ประโยชน์สนประโยชน์ซื่อจะบอกให้ได้ ขณะโน้มนี่ทำมาหลบกปิโยสรุปตำนานหลนักติดหลักผอบทำให้เขาเบิ้ลยูให้เขาเห็นนี่้นตูกให้เขาดูเหาให้เขาฟังปูจาปาศรัยมันทนนี่เรนะียกทำมันเป็นนิาถ้าเขาไปดูนิทานนี้นนนนจะอยู่มันนึ่มันหนึ่าจ้องต่างกันชีวิตนี่ทำนี่ทายาทนี่กรรมเป็นาญายา ปูพันกับปฏิจางเห้ได้กับศาสนาเห็นได้มีสติหรือว่ า, ามีชาติาตเนไอาศาัยได้สตินี่จนตายแต่่ลืมนไ่หลงไ่หลงในอริยิริยาตที่ต้องเต็มไปว้ามันเกิดมันแจมันเจียดมันตายมันผัดผมันมีตกของว่นใดเขามีสติหรือไอาศาัยได้เนมรดกของท่าเป็นศัพย์ของท่าเกลือรืท์ของเ่าเ สับมนี่สองส่วนสับไพ่นสับไพ่หนอกสับไพ่นายก็ช่อเงติ <te> ละคือความเมตตาตรหน่ามุิตาเตสานจติสมัยทัยะนี่ความละอายนี่ใจดีนี่บุญนี่ความเสียสละนี่ความยุตวมเย็นสนุกกจเบาอึดเบาหยาดแี่ใจส่สับไพ่หน่กอดใพในชีวิตทันมวิญสับไ่หน่ายก็โอ้ยนี่เป็นชุด ข้ามโกรกขลุ่วหลบข้อมทุกข์ขอลอลุ่มข้อมปิดทุกข์้างอ้วนควอมเสาร์ควอมมองทั้งการลุกทุกข้ามชีวิติดใจของเราเลยมัมีพูมอาชีพเราจะหนึ่งมัมีพุมการท้านผูกมันมีศัพท์ในม่ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจไม่ได้ทุกข์แฝงแฝงโย่ต่าง่างอันนเกวเป็นคนอาับ เป็นคนผูกคนหนมามันมีทีเพิ่น้าบหน่อยราวาจะไหนมากจะเป็นไปหลดทั้งใจดีทั้งดีใจดีใจเสียใจทั้งโกรธทั้งโลภทั้งหลงท้งหลงพอใครว่าค้นโกรธก็คือข้นผูกเนะี่ยผูกสับเป็นคนอับผับค้นผูกใจก็คือข้นผูกลับในในถ้าผับอับส น, นกินผูกจึงโกรธจึงโลภจึงหลง จึงมีตกังวลถ้าเรามีกลับภาในมันบัดมันบัตตกอย่งนั้นมัตต น, เม น, มนเจได้มันใสได้จิตสมาซรอยห้าวสมาธิสมาซรอยห้าวปัญญาสมาซรกความเมตตาความกรุณาความมุชิตาความเปถามาตรอยความอดทนความละอายแต่ข้าใหญ่ของเราเพราะ อ, อ, อ, อ, อ, อึดหมนจิตจะเป็นข่าหญาตัติก็เป็นข่าใาญ่ ความใตาตัวหน้าจะเป็นท่ายาดความลดตันลดท่อนเป็นท่ายาบดาาาบอกผัดบอกระดเปก่าหมองญาต่ำๆกันระญาติน้ำท่รมมากไมก้กายของอยูืดได้กรบอกเดียวบอเดียวด่างมีความสดชื่นมีความเบิกบานมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบ เนี่ยเด้อพอสยบอาศัยตัวในต้วเชิ อ, อันนี้หลายๆเด้อย่ยขอข้อมูลกนไว้กับลูกทรับย์ล้านทรัพย์สมบัติจิตจเขาเข้จะให้น้นต่ำกว่าชิมุนั่นนี่กรับยนี่สมบัตินี่ลูกนี่ล้านอันนั่นเป็นสมุิปยยัญญาอันเชิงไดจะให้หนอก ใ, นให้ไมกันเชิงบ้าอันลูกดีล้านดีแห่งจุฑุกลานเว ล, ลามันผัดนผ่านจากไป เป็นผูกแล้ันลูกบดีล้านบดีจะเป็นผูกผูกคนละแบบแต่ว่าจะชื่อผูกกันเตาหลือแต่มันผูกคนละแบ บ, บอ่เป็นลูกดีล้านดีติดหอดติดเชงเอ๊ะทำเฮียทำฮอนนักกาบหรู่ผูกพันผูกผูกข้ามแต่ลูกมั น, นบดีล้านดีก็ทุกตีแบบนั้คนละแบบเ <c oughs> ก็กะป็นเะไากั ใน้เข้าใจคิตใจ่ให้จะใส่เอาวัตถุมากำหนดตรงไดอันนั้ น, นจึงจะมีสุขไปนี่นจึงจะมีสุขอันบริสันต์จึงมีทุ๊กปราจานายุความปัจจานาที่มันบ่สมหวังที่ปัจจานาเลยจึงนั้นจงบวชผาจากเล่าจึงนั้นจงเป็นของเล่าเราจะต้องเป็นบรงสั่นอันนี้เป็นความปัจจานาที่ปปกินใจเรนได้กินไจ แต่ก็อนอกอย่งเี้ยุดองกนันไปเอาต้องันด้วยขอใหญ่ต้องดันขอธาตุาร์เข้าไปขอให้เราต้องเป็นเรื่งองจริงขอให้ได้อันนั้นขอให้ต้องปฏิเสธจริ ง, ง, งนั้นนั่นมันมนั่นเป็นแบบต้องเข้าใจตัวต้องมองทุกทีทุกอย่างติ่นตามพ่อเป็นจริงทุทกทงทุกอย่างอ่ามั น, นต้องเปนในสภาวะใจหลั เป็นสัจจะไตรลักษเป็นสัจจะพ่างบทเทียงพ่วมบทปวดต้นพ่วมเป็นไตรรุ่นดพ่วมไหลพ่วมเปลี่ยนแปลงไม่มีไตรลักษณ์ใดพวามันมีปวดตนพ่วงหลุดพ่วงผ่านเลยมันก็ได้หยากจางมอ่งนะมันเห็นมันเห็นแจ่มนเห็นแจ่มให้รู้จริงตามพวามเป็นจริงของธรรมชาติของกฎของธรรมชาตินาฏธรรมชาติ อ๋อจะต้องเบิง้งยังเป็นนั่น ท, ที่อิทริฤทธิ์ผาอิทเิาสิดีแบบวันี้วิตกต่างล้นบอยสอบมองมองแล้วอยู่ตับโลกทับล้านทับบ้านทับท้องวันนี้อะไรติดตั้งย่อิตตกังล้นเลยเก็ดมือเขาก็มาทั้งทำมาปฏิวัติเขาตุัดตน่า เสริมสร้างไม่เสริมสวยก็ได้ตกแต่ง <c oughs> ตกแต่งพัฒนาชีวิตของห้องมันจะต้องให้วันท่านกับโลกกับจินตเวทหลอมปับตัวปบใจมัเต็มสมัยสมัยนี้มันพาะว่านันเบื่สงบงัง เดีย่ยงลูกกับพอ่อติโยน้าลูกติ่งแวดล้อมตัวนี้ผูม้มีลูกในหลานนี่ตีสีอํา น, นวยให้ห้อยูไก่ลูกใ้หลานมันเป็นไปเลยนะ่แ้วก็ทํามาหากินไก่พอไกนะ่แม่ติงแวดล้อมกับบังคับไปเข่นเข้าม่ลูกนะจ๊ะเรียนคันจตุผมกับพอ่อติโยน้าพอนะนะ้าแม่ต้องเรียนมัธยมแล้วก็ไปแล้วนะอ <c oughs> ันดีในเมืองแล้วก็ไปอันยุบันนอก มีปัญหาหลายกระโลงเลี้ยงมาติดยมกต่องติดชาวบ้านอยู่ในเมืองบเมืเด็จากคอจากไหนแต่มันตื่นตัวลงตัวเสียหายเจ็บตัวเจ็บพ้นพ้นไปตอนไกรยิงวิ่งตกของวัเดีนห่วงก็ได้ดีแตดีหลอดแตผู้ก็ดีแต่เสียแบยิงเลี้ยงท่านยิ่งใจใจบาดในเมืองหลวงบาใน ฐานที ต, ต่างๆไกลยยิ่งเขาไม่งานนี่นะทีจะยิ่งไกลพอกันยังไงบอกคือเข้าตะกี้เลยป๊บเงยนออมทางออมแอร์ในบ่อพ่อทายาทจะใส่ยืมหนักลลกสาวยืมหนักจนพวง็นคุมหอยูุหายกลิ่นตัวเนื่องไปแล้วกัแล้วตัวมียเนี่เป็นขันไปเลยเราจึงไดรหอมมันเตียนไปไมาต้องเกงเลย สองเก่งองสองผล่องพัฒนาทีวิตกใจเองเขาแต่ท่านสมัยพระธรรมคุณสอนในเก็งเก่งที่ท่านสมัยนยั่มร่วมกันโบราณโบราณสมัยโลกเขาไป้จงบวนแจรแหลกนั่นคือยังไปใส่บรแต่ต้องว่าศึกษาเหลืองศาสตร์นะทุกษาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในในเขาก็ไปโบราณ ทิข um ้าเนี no ่ยคือวันที่วันที่เก่าว้อหลวงพอเลยอำนาจทีนี้่คนญุบุลก็นามาหาหลวงอทีนี้เขาก็มีถูกเลยเป็นประเทศที่มีอำนาจทางด้านเศรษฐกิจที่เขามีถูกทีนี้พระสงฆ์มากที่นี่ฆราวาดมากอ่าวัดโหมกเขาก็มีถูก ว่ร์เนนว่าจะกำาังลดเศจษฐกิจว่าเป็นเคื่องรุดหมายปายทางของความสำเร็จที่ว่า์นนเป็นไปบ่ได้เ <c oughs> ดีย๋ยวมันมันหลายอยา่างวัตถุริ่งของ เทคโนโลยีสัางกันหนาส่่งคอมพิวเตอร์สามอย่างแต่คนน อ, อกก็นั่งมีดผูกอยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็พาตัวตายกันมามันตามกว่าท่านแพงขันกันส่างรถก็สัางรถทั้งสัางขั้นตาอาวุธที่แพทย์ก็เล่นกิเรศของคนเนี่ยว่ามันย่บนอื่นเลย การปราพิเลกบ่ก่นปราศโดยอาวุธลดถังรดเกาะปราด้วยกรัรจธรรมคนเามีการจธรรมล้วมันก็ยุตกันเนะท่านั้นมมีวิธีอืน่นแอนีินีระเบิดอย่างเดี๋ยวนี้ประเทศสัมพันธมิตรกาลังไปตรวจวัตถุระเบิดวดัตถุอาวุธสงครามในอินละอินละคนนี้อาวุธ สงครามลายแรงที่สุดเขาก็ลังบวกคุ่มเพราะนั้นเนี่ยมันก็ขาถูกแต่ถ้าว่าพัฒนา จ, จิตใจของเขาถูกคนามาศึากษาตัดจัดทาให้มันเห็นแกงจนเขาไม่จิตม่ใช่มีจิดไม่ใช่เจตัวเองไม่ไจติตไม่ใช่เจเอผูอื่นเงินเขาสิตติเขาเมื่อกี้นังทามันก็ะทำามถูก สมุทรค้นตัวหนึ่งมันโกรธน้อยนิดน้อยจิตใจสร้างผู้เขาเขาโกรธเงนบ่ได้ตดึิพาเขาเขากระต่ายดูด้มโกรธบเพ็นนาคาผู้นน่ะบำเพ็นตูนั้นบำเม็นค้นทนนั้นมโกรธมบ่ดีเป็นกิเลสที้มาดูน้ำท่อเขาคนิตส้งกิเลสเขาควอนจิโกรธกิเลสเพื่ที่จะากิเลสาบเพ็นข่าด้วยอาวุธพาด้วยศีลด้วยธรรม คาด้วยสติธรรมชั้นยแต่ว่านี้ไปคาสิเลตใงค์้ น, นเลยอันเทศได้อันเทศเลยเขียนมาบวชในองค์เขาไปปราบกิเลตองค์คริมานเนีลยเป็นโจนไลายเยยเป็่เมื่อไรเอาปืนไปยงิงองค์คริมานเป็นเอาสัจจะทำไปชี้ไปแกน่หงในปั้งองค์คริมานกว่างปืนว่างอาบุตรกว้าง ด, าด่าเป็นต้นดีก็มาบวชในปราชนา ได้เป็นพราญจปนได้เห็นโทษเห็นไถของวานหลงอ่าธรรมะโตกรรมเจสุสัจเจสุขัอถะกะโรปะระสังวสีทัสโซยาติสุเมทโสกุ่านออกนัู่ตัวใดประมาทแล้วในการป้อนไถหลังบอกประมาทเม่อน่เราติดัน กติกขององค์ธีมันผู้ใดประมาทแล้วในการกรอนท้ายหลังบวกระมาเหมือนพระจันทร์พลจากเมฆเห้นถ้ะอาทิตยพจากเมฆตะวงสวัยจิตใจ ข, ขาห่อเคือกันนะถ้าใดทีมันมถูกกิเลสชอบง่ำเศโตกวิตกขงวนข่มโกรธข่มโลภขมหลงอนาเรกว่าเมฆที่กิเลสมันบงังจิตใจห่อ เวลาได้พิจารณาพ้นจากเหตุนสติจะไม่ทันยะหลูดจากตามความเป็นจริงพิจารณากือนใจดีสุนทรสาสว่างสงบทุกที่ตั้งหางนแต่เราจรึงพากันทำกรรมอันนี้ให้ได้เป็นกรรมที่เป็นาอาัยเป็นกรรมที่เป็นท่าญาติของห้อง ญาติในทางถ้ำอันระยนะน้ำถ้ำมีศีลมีสมาธิมีกัญญาอัดใจแห้งใจแห่งหลายบกพือกับไผหนอกไผ่หนอกแห้งใจแห้งเบิดตัวลานทันลาลักยาวให้บันลักกันให้ต่อะไรเพื่อนี่แหละที่กับภายในแต่นี้สติแน่คลยกับโลกกับหลานสีใสทีถ้ำทีพูดสีคิดอันนี้สติให้หลุทกระลึกแต่ กวางอันใดใ้นิสติเห็นอันใดใจนิสติอัเาใส่สติสติก็ซอยสติจะงามจติจะเ็เลื่นอเ่าพอใส่สติจติก็เบิดจเกี่ยงหยจากเทาไปเลยไอนนว้า็เมตตานี่กวางกรนหน้าตัวจะกวางจะปลอยจะหยุดจะเย็นพุทธายทีเท่าคือกว่างคืปลอยได้กวงว่างกวาปลอยเป็นทางพุทธา เป็นขาวอยลูกซอยหลาม้าเทียมันก็ได้งาเทียนตะบอดได้ตามันได้ต้ว่านปลอยตามันบอดได้ตะว่างกอยบนทุดทุดทุดชีวิตเป็เข้าวทอยู่ๆจะไปโยอย่กับอ้าวกับเ่นอันดาวันเจนตะบอดจบตะกินมันปูกมันท่านอันตะว่านปลอยเนี่ยุดฮึดระทุดทุดจุดหมายใสท่างสูงทุดของชีวิต สูงสุดของจัดจรภพคือว่างสุดก่อนจังทัานผู้เห็นเชือนเลยว่าดีวิทย์ของห้องวู้อ่านที่นี่คุณธรรมสามอย่างหนึ่งย่าให้เจ้าของมีผูกสองจอยตัวเองในคนผูกสาม ที่ท่จะค้องอะไรจะดีคือต้มร่างต้มฟอนซ้อนใดก็ใด่ป่้อนเมื่อ่รก็่้อนใดก็ว่างซ้อนก็ใ ด, ดก็ดว่างกา่ที่เขาซ้อนหลุกเป็นหล่กซ้อนบ่อข้างท่วมเป็นยัไงถูกปงพอเธอยาถูกแต่ว่างใช่โอ้เฮาเลยซ้อนเมื่อไหร่ก็บ่ดเลยเราว่างใช่อันนี้เป็นเป็กนกุดลเป็นกุศ ล, มล ห, นนหมายส่ทางขององ ก็เด็กสลักตัตรวเร็อไปนุนตะวัางเป็นตอนพรไวยวามันจะวอร์ถึถูกมันจะวอลงโทดปลอดนี่สอบสอบ จ, อบจอบิดในเดือนที่ลงโถเอาอันเดิมมาลงโถเอาลูกเอาหลานเอาวัตถุสั้งท้องเด็วิตกวิตกหลุบหลันวิตกกับศับท์สมแย้วไปคิดกันรเหนเวลานอนนี้ย เลานอนเ่หายตัวใางอกาสหรเวลาใดก็ดีหายตัวไมมองแล้วเขานจะรมหายใจซ้อแอแลู่มหลานหล่ี้นบ่แม่นเป็น้นมืบ่แม่นเป็นต้นสนนเป็นปัวเป็นเนียบ่แม่นเป็นพื้ม้ใต้บ่แม่นเป็นข้นนมขนเผานแ้่มียางแลวหายตัวเพื่อเฮ็ดว่ขอทธิ์หือวันนี้ทะลุทะลังด เทวันใดตอนใดเดียร์ไตัวนั้นเราไม่ยอเงินเมดแลวนี่จะล่มหายใจก็แค่ก็แค่หน่อมนอยู่ของพระเดียดเจ้าจงมโหสถเปานเ้าก็ได้ยิ่มด้วยหลุดท่านหลุดท่านบนตนวนตนลบดีจนให้ที่สุดจันยาเวทะนิยิทีิมีโลก ผ mm, e ู gas, in, relax, ้บ่มีเี่ยบ่มีสัญาดับเบิ้ลนะัดอยู่เนี่ยแค่ไปโยนน้ำเน่ากันทะลุงทะลังวนดีวนวายแค่วางหน้าตากันลืกดีหรือร้อนเหมือนหัดจุบนบอลมีเนี่ยเพื่อเสียร์ส้นลายเพื่อบ่มีเพื่บ่มติเพืองว่างเพื่อบ่อยที่นี่แหละมันเป็นมรดกของจิตใจเนาะมรดของจิตใจวันนั้นเอาเนี่ยให้มากมา ถาเาให้มากๆเลยว่าหเห็นหิว ท, ท, ทังบอกอ ง, ก ท, กอกงที่แท้ประมานดูเสียมม่ดู่าไม่มีเนื้อหรือว่าที่อนล่ะลูกก็นีผัวก็นี่หลานกนันนีจับ ก, กนันนี่ให้กันี่หน้ากน็นี่เทว่าจิตใจก็ห่างๆๆปมีณเนื้อตัวเเป็ยนเ น, นืเ้อเที่ละบเติเาปดให้ที่สุดในท่ากันหัดเนี่ย ยสเอาอไหนที่เป็นเงินหนุนลูกทีลูกเราก็แล้วนี่ล้านเด้ไหมเนาะที่ล้านเราก็นี่เล่นก็ไปถ้าไปคิดเรื่องเงินบริโภคกจริงที่วิตกใจเขาบอกนีโอกาสที่ตกที่สม่น้ำต่ในโดยคนอยากคนนี้ยาเห็ดนัองต้มยาเห็ดทนาทีไปทางานไปทำกรรมไปยายต้มยาออกนาออกกรม จิตใจเราเป็นตัวเจือสุ่ละถ้าหาก่มีความอยากเทิดนัยน์นี่ยโอ้มันโมนิทมนี่มันบรสิทน์เปืี่ยนพลังงานพลังงานบหมดบริสิทธิ์ิดใจขอเราไม่มีความมีตกงวนมิแต่ควมอึ้เลยล้า น, ยยนอยู่เสมอเล้เนี่ยเป็นจนะะินหลักปาต่านค่องวิตอยู่กับหลูกกับหลานอยู่กับเกบครั้ว ถึงคารวะตัวฟ้องเลื่อนต้องมีถ้ำมากกว่าพระดิวัตเล้สวาภาษาพระิวัตินี่ไอ้เจีองขึ้นแลวท่านจะเอาข้อมาให้กาหลดเนาะการทะยอยเนาะทวานต้องขมาจินมต้องรับพิษรับถอต้องมีถ้ำกูอ้ยเฮ็ด่ได้แต่ไม่พระแน่นอนเพราะถึงแม่สอนไม่กลัวก็ยัเฮ็ดได้บอกนะโอ้แต่แห่งเฮ็ดได้ใจจะสับโลกเนีหงเกณฑเี่ยแ่งนีเจก่า ข้อมอเ่อเจีงข้อมพนแตเจีงข้อมปล่อยข้อมล่างพ้อมหยุดค้อมหยินหลายมากมากฮัดอัดขึ้นเหล่อยๆมีลองสอบกับเราฟวามจริงเลยว่ามันพอมันเราเรียนเนรียนเรื่องๆเต็ๆถ้าบหารเป็นเจริญบริห้รไม่มีใครนะที่ขอ ง, ขขอ ง, ขของข้นเราบริหารูจะเกิดมาถูกทส อาของเขาคือเนี่ยความ้างความกลอยคนายดคนเย็นสนุกเบ่งโลกเห็นโลกย่าง เ, งเงนเจบไ่เดินทิมทีส ม, มุิจึงบรญญัตให้กับโลกอันใดเป็นส ม, มุิอันใดเป็นบรร ญ, ญัตอันใดเป็นปรมตราตา์ให้หลกเป็นปุถีองค์อาตุาเป็นปุถีเจ้าปามรามอยู่ในเนื้อโลกนั้น เม sure. ืองเขาโอกาสสอนก็สอนแน่สอนหลกสอนลานแน่สอนหมตอนนิดไรตานาทีของห้องซอยกันไปอะไรกัขอูป้างนอกแต่ถึงมาตะกวนคือกินข้าวกินทุกวันการกินข้าวเป็นอาหารของตาย การปั่ทำกินอาหารของจิตใจจิตใจจะได้ลดพระิกรรมก็ต้องสติอย่าทำตามความคิดอย่าทำตามสังสารเปงแกงการใช่ใจใช่ใจพยายามทำตามสติ หัดติดนนเลี <iso> ้งให้มีสติัตอกู้หเดลนการใช้ชีวิตของเราทอะไรตกอะไรติดอะไรามมีสติมีความรู้สึกเล้อัรักันอนักัก้าัิัเ <otto>? ียไว้ไปมา ทำอะไรก็ตามมีกำนาสุึกหัดอะไรก็ฝึกัดจริงจริงไม่เท่ารจะทำกันเล่นๆชีวิตของเราก็ผ่านมาบันทีก็ได้ความหลงลืมลืมฝึกฝึกฝึกเพราะเราไม่โคดฝึกหัดบางทีอาจจะติดมากเราาการถูกโดยธัรมชเห็นเราวว่า ติดข้อมูลเยวเราเองเราดูว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราอยู่กับตอนลติดตัวหรือว่าอยู่ตอนหลงามที่เราใช้ชีวประจวันเนี่ยเรายเพราะชีวิตไปเพราะความหลงเพราะความลึกกรไปการมาการตกการทุดการตัวจาการส่งไหลการอะไรทั้งหมดนี่มันมุ่ง นี่เ้็นการรักการนอนการดึนการเลื่อนการตึงเป็นอย่างไรมันอยู่ในผ่อระเบียบนะเป็นระเบียบการนอนปฏิสับการนอนปฏิ icked, สัพการยืนการนั them, ่งการโบนปฏิสัพการบกพันขันในปฏิสัพการปุจจาระสายนสให้กพะสบผลจริง <matter> แต่ทำแบบพุ่มรุ่มวนดอนอนหมนก็เราจะเรียนหนังสือชุ่โมงเรียนก็ง เ, เรียนกันจองทำงานก็ทำทำกันทำไรทำานาสร้างบ้านสร้างเ ร, รือนก็เพาะทำเพราะกรรมเาาที่ทำให้าะปิญยาที่สุด ถึงม้ว่ามีการพูดแต่เราไม่มีการกระทําหมอกัเป็นไปไม่ได้ต้องเพื่อมประกอบต้องมีในระะน่วมั้งพูดทั้งในร่วมทั้งส่วนสติสติม <c oughs> ันไม่ใช่ดเอาอย่างเดียวรว้เอาอย่างเดียว <c oughs> ประกอบไปกับการ้วร่วมลองดูว่ามีสติเปมอย่างไร <c oughs> ก็สอนกันแล้วแต่มีปฏิปันโดยอย่างไรเดินแต่มีปฏิปันธ์โดอย่างไรเรสสร อ, อรเป็นภาคปฏิบัติส่งไปจริงเป็นสฏิปันธ์ยกมือสร้างจังหวะอย่างไรเอาเป็นภาคปฏิบัติว่ายกมือะจะต้องมีความลึกติด กตัญญูกรไมือจริงๆสิสติกับหายใจอย่างไรแล้วก็หายใจลงงองดูแบบนี้สติลองดูสติธกับการสาธยายทำจวจมนไหวพระอย่างไรแล้วก็ให้มีสติไกับการสาธยายทตรวจมนไหวพระทำให้มันเต็มจริงๆร ใครจ็พูดแบบโมกมิตรจะลองหัดมีสติใครพูดไปอย่างมีสติเองถ้ามันหลงก็เอาเป็นบทเรือนแกะถ้าหลงแล้วไม่แก้ไม่ไดะถ้าจิดแล้วไม่แก้ไม่ด้ถ้าทุกข์แล้วไม่แก้นี่ได้ถ้าโกรธแล้วไม่แก้ไม่ไให้คนโกรธเป็นอิ่นให้คนทุกข์เป็นอิ่ มันจะโยงที่มันกัดเป็นอี้ปีนที่มันเกาะกัดดูดเลือดเป็นอี้ไม่ไม่มันไม่ปลูกมันจะต้องป้องกันต้องแก้ต้องคองตัวเองหูก็ต้องกินผ้าทายมาักายเราก็ต้องไปผายให้อยู่ได้เขาให้ได้เขาแก้เขาลันเทา การมีสติใจใจกาที่ เ, าเราอยู่ร่องกันเนี่ยพระพุทธหนึ่งก็ว่าล้มล้วนจริงๆไม่ให้ลวนนะครับเราสาอนหนึสติคนมีสติก็ไม่หลวนไม่ใช่บทบังคับไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ไม่ห้องเรียนบบนะครับไม่รีนมีสติต้องมีสิทธิะ ต้ <c oughs> งองเดในไปเดิรอบแล่ช่วก็จะเดินจ ง, งนนล ก, าากงงลมร่วมกันเป็นแถวเดินรอบศาลาภาคสาธิตของนั่งยกนี้ตัางจงหวะร่วมกันอาจจะได้แต่รูปแดบกแต่สตีก็อาจจะไม่ได้พรเราไม่อยากให้มีภาคต่าง <c oughs> ามีสติเป็นอิสระ ถ้ามันจะชัดการที่รู้สติคุ้คองตัวเองอยู่คนมด้วไหไหมเนี่ยมันจะชัดเราทำงานก่สร็จลีกคลีกแ้แล้วก็กลมฤทธิกผลตนเองอันมันนั่งยกมือส้างสระเลร่วมกันเดินกลมจแถวเรา่องดีเพราะว่าชีวิตจริงๆมันไม่เป็นแ เราเอนห ล, ลับตาหรือบทการั่งชีวิตจริงๆก็ไม่ใช่แบบนี้เราหายใจเข้าหายใจออกนั่งอยู่มันไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตของเราจริงๆต้องเป็นาปการใช่ชีวิตประจำวัน <c oughs> อาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในอยู่กับอาวิบุตนั่งอยู่ในรูปแบบเสมอ ไ, ไปเราอัดเก็สบสกอด จ, จะจกการชีวิตของเราเมีอะไรบ้างมันคิดมันจะพูดมันจะทำ ม, มันจะไปไหนไห อัตมนิ็มตามธรรมชาติไอ้ใจศูนย์ธรรมชาติเดี๋นี้พวกเราพอจะปฏิบัติป่ะบ้างนั่งมีรูปถูกแบบแล้วก็เดินจงกลมกับใจกับตาถ้านอกจากนั้นไม่คิอว่าปฏิบัติมันไม่เียงพอไม่เียงคอต้องทุกถกแบบจาง ที่เป็นชีวิตธรรมดาธรรมๆเนี่ยกวาดสลากันเดินไปเดินมาอาบน้ำเข้าห้องน้ำอ่านคิดการนึกการได้เห็นการได้ยินการได้สัมผัสการทิกเล็กๆนี่แล้วให้มีสติส่วนเออบทที่มันแม่งยกมือสร้างจังหวะอบทที่มันเดินตรงคมร่วมกันเนี่ยมันเป็น ตัวแบบเป็นทั้งสป็ายไใช่สาคนโทษกันสาคนจริงๆอาจจะอยู่บนรถเมลอ จ, จะทำงานอาจจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆอาจจะอยู่ในสนามโลกอาจจะอยู่ในหน้าที่อะไรต่างๆสอนให้ในธรรมะไปอยู่กับหน้าที่ไปอยู่กับ การใช้ชีวิตประจำวันจนกระที่งใดแม้จะไอยู่กับการเกิดไปทำยังไงม้มันเจ็ดไปอยู่กับความเก่ความตายก็ทำยังไงไปอยู่กับการเดินทางไปไหนส่งไปตายิดเสียอะไรึ้นมาทำาังไงแต่มันคล่องมันหล่องตัว แม่กับอยู่กับการอานหนังสื อ, ท, อ, อทำยงไาวอยู่กับการสองน้ํเอาองซุ้เอาน้ำทำยังไงแม่กาการอยู่กับการนอนทำยังไง <c oughs> มันษณะเท่านั้นแหละนอนยังก็มีุณลปะไม่ต้องเรื่องเลีงยงยื่งๆนี่ยากไม่ต้องตุง้งซ่าน่้อ สันลาย ไ, ม, ไม่ใช่ตังเป็นก้อนกลางันงเป็นเตอะไรเป็นตัองศึกษ์กันจริงๆอย่าไปคิดว่าพวกเราจะทัหลวมจะทำอะไรก็ได้แต่าไดตัดนี้มันเอถูกดูแต่ว่าถ้าปฏิบัติจริงๆก้อเปิดจากสตาเปิดจากสันพรความพอใจ ถ้าเกิจากสัทธาแน่นไรจากหนดสัทธาทำมาแล้วมันก็นไม่ให่เกิดใัวเกิดตัวต้ามีกัทธาในสัมภาในวิริยะในกติในสมาธิมก็มีปัญญาอยู่ในตัวนะรันีอยู่ในตัว มีจิติอยู่ในตัวมีสมาธิอยู่ในตัวมีความเย็นอยู่ในตัวนาทีเราเม่อยกมือสร่างเงวะมีจิติมีความเย็อยู่นั้นมีทุยะ มีสันทาะอยู่เลยนะมันคล้องม็นเป็นทำมันเป็นพังงานรี่ทำมันในเปิดแบบอยู่ในถึงระรอมที่ดีมันก็เกิดผลถ้ามันไม่ถึงถึงระลอมไม่ดีมันก็ไม่มีมันเกิดเปิดพลังงาน ตเป็นเนยยการปฏิบัติทรมก็ขอให้ถือว่าเป็นความพอใจเป็นความสนุกเป็นหน้าที่เป็นจิตของเราที่ใส่ใจกันพอสมมาทควรถ้ามีสติจริงจริงติดตามกับการใช้จิตอะไรจริงๆถ้าหลวงพ่อว่าผมว่านี่ จนนี้ลคนมันกัเพราะหน้าจริงๆเหมือ น, นกับเรากินอาหารไดาแต่ที่เราเิ่นข้าวที่เราทำมันก็มีประโยชน์แล้วก็ทำให้อื่มแล้วก็ทำให้ควเทาความหนืเวทนาเกร้าหมดไปคนมีสติสตมันจะไปเยี่ยวยา คนมีสติอยงนั้นก็ว่ามันไปไปเลใไลพุกไลความหลงความหลงก็ห่างออกไปความพุกก็ห่างออกไปถ้ามีสติเลยว่ามันไปไปเองไหมไปออกไปเกิดปัญญาเกิดญาณ เป็นสิน่งเปผลของสติเป็นสิ่งเป็นสมาธิเปนปัญญาเป็นญานรู้เป็นไงถ้าอยากรู้มันก็รู้เลยูเป็นทีน่เป็นไงถ้านีสติจะไปตามแบบของสติผลของสติมันเป็นกรรมหร้อก็เป็นผลเป็นเธรรมะหรือ ก, ก็เป็นผล ทำอะไรก็ตามมันต้องเป็นเห่ือนี้เป็นกฎัองธรรมชาพเป็นกดตายตัวทุกอย่างทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเราทาอะไรกันอย่จะเป็นลูกกระทำก็ดีจะเป็นนามกระทก็ดีแต่เป็นลูกกระทำที่เราขวดบ้านถ้าเราขวบไม่ไม่ไม่ขวบถ้าเราปวดไง ก็ธระมาณหมืนก็เกลี้ยงก็จะอาบพออาบหน้าเหมือนก็สชำระกินเรี้โคกแล้กินข้าวมันก็จบตกอิ่มนี่ก็มีประโยชนกินสตินม่สำคันให้ใจใจมั่นใจว่าเพื่อการกระทำเพื่อต่้มในการกรทำน้อมใจเชื่ออะไร เรามีอาชีพทำไมน้อมใจเชื่อแล้วก็ทำลงไปจริงใใ ๆ, ๆมีการกลอนไหวมีการแควงหาจริง ๆ, ๆถ้าจะกลัวแบบสติมัน ก, ก็ไม่กลัวสติมัน ก, กับใบมีดเทสเตสติมัน ก, ก็เม็ดโตที่มันขุดดินมัน ทำงานหรือใบหนี้นทังรถทเ้งเต้เวลามันเจตไปจะเลียกไปเรีย่ย ม, มันนํำไปถ้า ม, มันนำไปม้กวก็ขขให้สุขทั้งให้สร้างความเลียนเกิดเป็นถนนแห่ทางเกิดเป็นความเลียกไม่สุ ข, ข สังเกตดูดี ๆ, ดๆรายละเหอีไดในนึงสูงถ้าทําแบบใน่รู้ไมที่ก็ไม่ดีนะต้องสังเกตรู้จักสังเกตรู้จักนำนำรู้จักจัดสรรติดตา ม, ตามตาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทำไม่รู้ไม่ที่เลยหรือเราจะเดิน ไปนมาไหนเขาต้องออรู้จความปลอดภัยควไม่ปลอดภัยมสะดวกคาไม่สะดวกเดินดิ้งๆ ด, ด, ด, ดอนอันผิดมันจะมีอันสูกมันจะมีเราให้สังเกตแล้วห้นนำเมื่อเราจะไปกรุงเทพไปล ำ, ลำนไปวัดสนามนนหง ล, ลงโนดตรงไหนขึ้นรถตรงไหนไปขส้นทางไหนเมื่อจะพูดออใกไปว่าจแสดงคำพูด ก็มันป um ิดกันผูเนี่นี้เหตุคือการบ้านมีอการถามมีอการหาแ็ต้องรูจักแก้รู้จักบอกรู้จักี้รู้จักที่ทู้จันำอะไรใช้ชีวิตในโลกในพื้นโลกในธรรมชาติในางโลกหรือแน่ว่าเราอยู่วัดโมกเราก็ต้องรู้จักเวลาตีรักทังอืมเวลาธรรมวัด ตอนนี้เวลาสีระคังเวลานี่คือทั้เวลาถ้าก็ใช้จิตแบบที่คางเวลานี่คืออะไรถ้าเก็ใช้เตรียมพรอบบบบ้อมรินธรรมะเวลาสีระคางเวลานี่คืออะไรเราจเวลาเตรียมพรอ้อมคือมาสต์ทันมาให้พ่อมาให้ไหวอย่าลัางเลรอ <c oughs> ไปจับไปเสกนะกระพ อ, อะไรกระที <c oughs> ่เราลำนำเราลำนเราก็จินตชัเวลาที่ไม่ผิแม้แต่เราลำน ำ, ลำลเรื่องระเบียบขึ้นในก็เป็นประโยชน์ขึ้ในระเบียบขี้นก็เพื่อคุมให้า ก็ตัวเองสินะอาจารย์สอนจิญสติการมีสติพยายามนำนำที่ตัวเองนำตัวเองแก้ตัวเองเรียนสนุกสนุกเห็นผิดสนุกเห็นผูกสนุกใช้สติสนึกแก้ไขตัวเอง ก็ว่ามันดีขึ้นเปลี่ยนเจากสภาพเิตมากอนี้ถ้าไม่เส้นนั้นไม่ได้ว่าทําไปเอาโไปไร่เอาตาใ่อะไรต่างๆทําตั้งแต่ิีริยาแต่วลาใจให้มีไม่อยู่เป็นที่เสทางาไม่มีสติไม่รู้จักจัดสันยังไปกื้สใจอยู่ คนเรามันจะใช้ได้นี้ต้องมีไม่ใช่ไม่ใช่กติกาจ่ายต้องมีระเบียบทางศาลาเรานั่งอยู่เลยที่มันจะใอ้ได้ต้องมีระเบียบมีตะกร้อมีที่ไว้มีที่วางเช่นจัดอาหารก็ต้องมีระเบียบมีข้าวมีช้อนมีผามีอาหารมีผักมีผลไม้จะจะให้กับผลไม้อาที่ไหน เขาจะเอาผักจากที่ไหนเขาจะเอาน้ำพุอาตรงไหนไอเโรมเขาวางได้อย่างนี้เลยอหารได้ที่ไหนจะเอาแก้วจะเอน้ำได้ที่ไหนจะกัดดาบได้ที่ไหนมันก็มีระเบียบในตัวอะไรทั้งนั้นมันมีที่มีที่ผิดมีที่ปูกมีที่รัฐปุที่ทาให้ดีมีรัฐปุที่ทำให้ดี มีการเวลาที่ทําให้เราต้องใช่ไหมเวลาที่เราใช้แล้วไม่ใช่ไม่ตองใ้มีในตัวเรามีทุกมีสิดธมีผูกมีที่แก่มีที่ไถ่มีที่ปล่อยมีที่วางมีที่ยึดมีที่ถือมีที่หลงมีที่ไม่หลงเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเอง จะเรียนรู้อย่างอื่น lithium. ตอนใครทั้งนี้ลงมาเรียนรูเ้เรื่องเนเหรอนี่เว่าเรามาปวดไม่อยู่วัดคือมาเรีย น, ยนยรู้เรื่องนเหรอแมันจบครับคนทุกคนมีทุกคือคนเรียนไวในตึกคนมีความโกรธคือคนเรียนวในตึกคนเจ้าโศสภุตตกตองตนคือคนเรียวในตึกเพราะมีการบ้านมีการหักใจไล่ส่เป็นทา เป็นภาตุของอารมณ์เป็นธาตุของความยเป็นภาตุของการปลุถ้าไม่เป็นภาตุนี้จะไม่ต่างให้เราเกิดเลยนะก็ปม่มาต่างให้เราเกิดเลยนะอาเป็นธาตุอาเป็นที่ธาตุแล้วแต่มันจะผัดไส่ไรส่งบา้ทัทนบังคับ็นกนนินไม่ได้จนนอนไม่ได้เนี่ยเรจะทำมาทางไหนบางคนอาจจะมาเกิดเกิดมาเราจะฟองกันไหม ลีก่อนหนึ่งเอตโตัวนั่นเอตโตัวนึ่งยังอยู่อีสเตะตัวนึ่งยังอยู่เราจะปล่อยทิ้งก็ได้หน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราโดยโตรงอย่าให้าพาดจะให้เสียโอกาสเนี่ยจะไม่มีอะไรเสียชาติที่เศษมา ั่งนข้างที่จะโมโหอันลำพายู่ส ะ, พะนพาของเราแล้วแล้วก็มีสิ่งดบ่อนที่ดีสาหรับเราแล้วอาาิโยมบ้านใก่ตุดเตียงก็มีมมีเพื่อนมีกั น, นยาหมุนนิดที่ตูวช่วเือ เราก็อยู่แบบนี้จะอะไรอีกไม่มีใครกล้าล่าไม่มีใครดูไล่มีแต่ให้คนยุ่นเยี่ยนแก่ใจที่นำคนอยู่บ้านเนี่ยไอ้โกนจัะตาวดเป็นลักเป็นขโมยหนึ่งอบอย่างนั้นไอ้ต้นไปจี้ไปดูไปด่าไปโกงไปนั่งไปโกงทปเนี้ยไอ้พ่ออย่างนั้นก็จิดหายบ้านนี่ถ้าบ้านหนี่เขาิดหเราก็คิดหายที่ของเราคือวยกัน เ่วนกันดีๆเตรียนให้มีสติเตรียมให้ไม่ฟุบเตรีให้ไม่โกรธเตรีให้มีความสุขเตรีให้มีความสงบจะเอาอะไรขอรงเราก็ต้อ ง, งพวกของเราแนละ้วเป็นคนไทยมีธาตุศาสนาวัดวาอารามํำเนืองของเราได้ตอนตื่นที ผว่าผมเป็นคนไทยผมก็โชคดีผมก็เคยไปต่างประเทศหลายประเทศเลยจะให้เหมือนเมืองไทยเรานะี่มันไม่มีเลยแ้แต่รัฐบาลเรานี่ก็ไม่เหมือนบ้ า, า, านเราญาติโยมนิสัยใจพอถึงเร้นหน้ามันก็ไม่เหมือนเมืองไทยมันเป็ น, นเมือง ท, ที่จะมีพระอริยเจ้ามากที่สุดเมืองดูไม่ใช่ไม่ให้มีก็ดูตาม มัเพือทาตามลูกแบบสิ่งแดล่งงอมนี้ยเื่ออั น, นี้ให้เราที่สุดเพือให้เราได้พอใจโชคดีที่เกิดคนไทยสิ่งแล่อมขอยงเรานี้ยเป็ น, นดีก็จะทปรัองอะไรมะไม่ได้จะทิ้อะไรหม่ไดันจะเกิดแล้วเฮ้ยวิ่งให้เราได้ประสาความสุข เ่าเดินก็มีรถเดินลูกเียงหลานเป็นบ้านเป็นเมืองอะไรๆก็มีแุปกรน์ะะเวียงเแต่ตัวตี้งเตียงแล้วกีมีลูกมีสามีมีัุณญามีบ้านมีท่องมีไล่มี้ามีลูกมีน้านีเงินมีทองบางทีก็มีมากๆพอไหถ้าจะมีินตัวเรามัวเลือกท่องอยู่ ถ้าเราจะเอากัตถุอะไรมากาหนดจิตใจกามตัวนั่งตามสมมุดเปงนันไม่รู้จะปล่อยไม่รู้จะปล่อยรจะวางจะละเสื่อมตัวเองนยังคล่องอยู่นนิดางนี้ใ่ไหมถ้าเรามองนะชีวิตเรถ้าเท่ากัถูกงั้นก็มีปัญหาตลอดไป ก็ใช่เถอะมันก็เออมาใ่คิดเป็นหลักเกิดกานทรรคามยุติธรรมเป็นมิตรภาพเป็นนอนดอเป็นมาสุฐานคูอต้องเราแต่ฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยลำดับลำนำดีๆเอาสตินี่แหละมีสติแต่ทำไรไม่มีสติไม่เอาจะยิบของไม่มีสติไม่เอา เัจะอางนีมันจะติดใจไปนั่นเลยอ่มันจะเอาไป้อะไมันจะไปยังไงสอนนั่พวงนั่จะคิดอะไรกทักเครื่องมันจะไปไหนทเครื่องมันจะเลยงกทักเครื่องมันจะพูดทักเครื่องเอาจริงจรลดูนะแเอแค่หนไม่่รไม่่ดนมงใจล้อ จะทำอะไรก็ทำปาปนั่งอยู่ดีๆนี่ไม่ไปขีดดินเล่นไม่ไม่เล่นมันอะไรลองสอนตัวเองดูลองนาตัวเองดูทำกับจริงๆลองดูโอ้มันสอนได้เสมอประเกิเดก็เกิดสุดๆมันดีมันปรกเวลาใดก็เป็นเง้คนน แกเวลาใดพวนเราน้อยแกเวลาใดพวกเรามุ่งคิดอ g งเลียงใจแกเอา l จตัวเองอยู่อะนี่ยหลายหลายที่ราไมรู้